วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความเย็นและที่เกิดจากพายุฝนที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้ ทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนสำหรับบางท่านอาจจะไม่สะดวกบางท่านอาจจะมีความตั้งใจจะมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้แต่พอเห็นพายุฝนก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาก็ได้ เพราะว่าคิดว่าคงจะไม่สะดวกสถานที่ก็อาจจะไม่มีที่พอที่จะนั่งหลบฝนได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจแต่สำหรับท่านที่ได้มาที่นี่ในวันนี้แสดงว่าท่านมีความตั้งใจที่แน่วแน่ คือไม่เปลี่ยนใจถึงแม้ว่าจะมีฝนฟ้าอากาศที่ไม่สะดวกแต่ท่านก็ยังไม่เปลี่ยนใจรักษาความตั้งใจไว้จึงทำให้ท่านได้เดินทางมาที่นี่ได้สำเร็จการที่เราจะทำาอรไรกันให้สำเร็จได้นี้ เราจําเป็นจะต้องมีทำสี่ประการด้วยกันหรือบารมีสี่ประการบารมีข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานข้อที่สองคือสัจจะบารมีข้อที่สามคือวิริยะบารมีและข้อที่สี่คือขันติบารมีนี่คือ คุณธรรมที่จะพาให้เราไปสู่ความสาเร็จในสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามจะทำอะไรให้สาเร็จตามที่ปรารถนาจำเป็นจะต้องมีบารมีทั้งสี่ข้อนี้คือข้อที่หนึ่งคือต้องมีความตั้งใจอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจ ซึ่งอาจจะต่างจากความหมายที่ญาติโยมเข้าใจกันญาติโยมมักจะเข้าใจว่าอธิษฐานคือการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ทางศาสนานั้นท่านว่ามันขอไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่เราต้องการนั้นเกิดจากการกระทําของเราเอง เพราคว่าอธิษฐานทางศาสนานี้หมายถึงคือการตั้งเป้าหมายหรือตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลที่เราปรารถนากันเช่นเราอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจไปโรงเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผลที่เราต้องการคือการจบปริญญาก็จะเป็นผลตามมานี่คือคําว่าอธิษฐานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ชาวพุทธเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ที่ตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือกรรม คือการกระทาของเราเนี่กรรมนี้แปลว่าการกระทาการกระทามีทั้งการกระทาที่ดีเรียกว่าบุญการกระทาที่ไม่ดีเรียกว่าบาปและการกระทาที่เป็นกลางที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเมื่อมีการกระทาแล้วก็จะมีผลตามมาผลของบุญก็คือความสุขความเจริญของจิตใจ ผลของบาปก็คือความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมคือการกระทาของเราไม่ได้เกิดจากการขอเช่นถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปสู่พระนิพพานไปสู่พระอริยบุคคลเราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการกระทำเป็นกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่ากุศลกรรมเป็นบุญเป็นกุศลและการที่เราจะทำบุญทำกุศลได้ในเบื้องต้นเราก็ต้องมีอธิษฐานคือเราต้องตั้งใจว่าภพนี้ชาตินี้เกิดมาจะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน เราขอมากผลนิพพานไม่ได้มากผลนิพพานนี่เป็นของที่เราต้องปฏิบัติกันต้องสร้างกันด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมได้เราต้องมีการตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติตั้งใจของเราตั้งเข็มทิศของเราว่าเราจะทำอะไรกันถ้าเราต้องการมากผลนิพพาน ต้องการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตั้งอธิษฐานไว้ที่การปฏิบัติคือการปฏิบัติมัก<ไ>คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันนี้คือความหมายของอธิษฐานอธิษฐานนี้ทางศาสนานี้แปลว่าการตั้งใจที่จะทำ กรใดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลที่เราปรารถนากันผลมันต้องเกิดจากการกระทาของเราเพราะสิ่งที่เราปรารถนานั้นไม่มีใครหยิบยื่นให้กับเราได้มอบให้กับเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมอบมรรคผลมิพานให้กับเราได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ แต่การกระทําของเรานี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการกระทําของพระ อ, องค์เองจึงทําให้พระ อ, องค์นี้สามารถตัดสั้นรู้มรรคผลนิพพานได้ตอนที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพ ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่มีความปรารถนาที่อยากจะบรรลุอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย<ม>ก็เลยทรงพิจารณาว่าจะหลุดพ้นได้นี้จะต้องปฏิบัติจิตตภาวนาคือการส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา<ม>ดังนั้นพระองค์จึงได้ตั้งสัจจารถิฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพ ว่าต่อไปนี้จะนั่งจเจริญจิตภาวนาเพื่อที่จะได้พิจารณาธรรมต่างๆให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุที่จะนามาซึ่งการดับทุกข์แล้วก็นาเหตุที่จะนามาซึ่งการดับทุกข์นี้มาละเหตุ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจพะองทรงตั้งสัจจะที่ฐานว่าจะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรุจนกว่าจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้บรรลุยังไม่หลุดพ้นจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดอย่างแม้ว่า ร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปคือร่างกายถึงแม้จะตายไปถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมท่านจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอนัตตานี่คือความหมายของคำ ว, ว่าสัจจะอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจสัจจะแปลว่าความจริงใจคือเราต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจคือตั้งใจอะไรแล้วต้องไม่เปลี่ยนใจ ถ้าเปลี่ยนใจนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่วแ น, วแนว่มั่นคงตั้งใจอะไรไว้พอไปเจออุปสรรคไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็เปลี่ยนใจไม่เอาเช่นวันนี้สมมติบางท่านตั้งใจจะม า, าวัดกันพอมีพายุฝนเกิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจอยู่บ้านดีกว่าสบายกว่า มาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรฝนฟ้าอากาศจะเปียกฝนหรือไม่ก็เลยเปลี่ยนใจ อ, อย่างนี้เรียกว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะคือมีความตั้งใจอยู่เช่นเมื่อวานนี้ตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันแต่พอจะออกเดินทางก็มีพายุฝนมา ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทางและอาจจะมีการลำบากในการที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันก็เลยเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากความตั้งใจที่จะมาเป็นการไม่มาความผลที่เราต้องการคือการได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เกิดขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้อะไรตามที่เราปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญในทางโลกหรือความสุขความเจริญในทางธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีศีละอธิษฐานเราต้อ ง, งตั้งเป้าหมายของชีวิตเราว่าเราต้องการจะไปทิศทางไหน ถ้าไปทางโลกเช่นเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในภารกิจการงานต่างๆบางท่านก็อยากจะเป็นนายพลถ้าเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจก็อยากจะเป็นนายพลถ้าเป็นข้าราชการส่วนอื่นก็อาจจะเป็นอยากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นประหลัดจังหวัด ถ้าเป็นนักการเมืองก็อยากจะได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกเียสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีสัจจะอธิษฐานคือมีการตั้งเป้าหมายของชีดว่าจะเดินทางไปทางนี้จะไปเป็นนายกจะไปเป็นอะไรก็ตามพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องดำเนิน ชีวิตของเราไปในทางนั้นการจะเป็นอะไรต้องทำอะไรก็ต้องทำตามนั้นไปเมื่อเราทำตามที่ทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลเดี๋ยวผลที่เราต้องการก็จะตามมาต่อไปถ้าเราไม่ล้มความตั้งใจของเราไม่เปลี่ยนใจเหมือนบางคนเปลี่ยนใจเช่นเด็กนักศึกษาบางคนตอนต้นตั้งใจจะไปเรียนแพทย์ แต่พอไปเรียนปีแรกก็เรียนไม่ไหวไม่มีความอดทนพอไม่มีความขยันพอก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายแต่การไปเป็นแพทย์ไปเรียนอย่างอื่นแทนอันนี้เพราะว่ามีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะความแน่วแน่ความจริงใจต่อความตั้งใจของตน ก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายหรืออาจจะล้มเหลวเลิกน้มเลิกไปเลยก็ได้ถ้าไม่ถ้าขาดคุณธรรมอีกสองข้อคือวิริยะกับวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรและขันติความอดทนเนี่ยคือทำสี่ประการด้วยกันอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจสัจจะแปลว่าความจริงใจวิริยะคือความ ภาคเพียรความขยันเหมือนเพียรที่จะทำหน้าที่ของตนให้ให้สำเร็จลุ่ร่วงไปต้องมีความขยันเหมือนเพียรถ้ามีความเกียดคร้านก็จะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคต่างๆมีความทุกข์มีความยากลาบากขวางกั้นถ้าไม่มีความอดทนก็จะฟันฝ่า ความทุกข์ยากลำบากนี้ไปไม่ได้ชจจเชียนจารีนหนังสือนี้บางทีก็ต้องทุกข์ยากลำบากกับการทำการบ้านทำดูหนังสืออาจจะต้องอดตาหลับขับตานอนเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จูล่วงไปได้ถ้ามีไม่มีความอดทนก็จะยอมแพ้ไม่ไม่ทำ พอไม่ทำผลที่จะเกิดก็เลยไม่เกิดขึ้นมาอันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณากันว่าเวลาเราจะทำอะไรนี้จะสำเร็จหรือไม่นี้อยู่ที่คุณธรรมสี่ประการนี้เราต้องมีความตั้งใจ เมื่อมีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัก จ, จะิะมีความจริงใจต่อความตั้งใจไม่เปลี่ยนใจแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำหน้าที่ทำงานที่จะทำให้เกิดผลที่จะตามมาต่อไปแล้วถ้ามีอุปสรรคก็ต้องใช้ขันติความอดทนไม่ยอมแพ้จะทุกข์จะยากจะลำบากก็ฟันฝ่ามันไป จนกว่าที่จะพ้นผ่านไปได้นี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่มีความสำเร็จในชีวิตเขามีกันไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็เกินก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติถึงสามารถที่จะบรรลุตัดสรุ เป็นพระอาหารหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าได้ภาษาว o ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน<ม>ก็ต้องมีความตั้งใจที่จะเป็นภาษาวก<ม>แล้วก็มีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจไม่เปลี่ยนใจแล้วก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติ<ม>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน แล้วก็มีขันติความอดทนเพราะเวลาปฏิบัตินี้มันไม่สบายเหมือนกับการที่นั่งอยู่เฉยๆเหมือนกับการไปเที่ยวไปเล่นนีสบายกว่าการที่เราจะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าไม่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากเราก็จะไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการสำเร็จได้ ในทางธรรมนี้เป้าหมายของธรรมะคือการบรรลุถึงมรรคผล น, ผนิพพานมรรคผลเป็นของเป็นคู่มาเป็นคู่มีอยู่สี่คู่ด้วยกันเพราะว่าผลนี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันของการปฏิบัติธรรมซึ่งผลนี้ก็เปรียบเหมือนกับปริญญาทางการศึกษาก็มีอยู่สมระดับ มีปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ละขั้นของปริญญาก็ต้องมีการศึกษาเช่นปริญญาตรีก็ต้องมีการศึกษาอยู่4ีปีด้วยกันถึงจะสามารถคว้าปริญญาตรีมาครองได้การศึกษานี้เรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือทางหรือการกระทําที่จะทำให้เกิดผล ถ้าต้องการจบป ร, ริญญาตรีก็ต้องเจริญมรรคของป ร, ริญญาตรีคือต้องไปเรียนสี่ปีในมหาวิทยาลัยแล้วพอได้ป ร, ริญญาตรีแล้วอยากจะได้ป ร, ริญญาโทก็ต้องเรียนเพิ่มอีกสองปีการเรียนนี้ก็เรียกว่ามรรคพอเรียนได้สองปีก็จะได้ผลคือได้ป ร, ริญญาโทแล้วถ้าอยากจะได้ป ร, ริญญาเอกก็อาจจะต้องไปเรียนอีกห้าปี การเรียนในห้าปีนี้ก็เป็นการเจริญมรรคเพื่อให้ได้ผลคือปริญญาเอกทางธรรมก็แบบเดียวกันที่เราได้ยินว่ามากผลนิพพานเนี่ย<ม>ก็แปลว่าถ้าเราต้องการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน<ม>ขั้นที่หนึ่งนี้ท่านเรียกว่าโสดาปฏิผลโสดาปฏิมรรค<ม>เป็นมาคู่กัน ก่อนที่จะได้โสดาปฏิผลนี้ต้องเจริญโสดาปฏิมักการทีจ่จะเจริญโสดาปฏิมักคืคอต้องทําอะไรบ้างคือต้องมีศีลที่บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ต้องเป็นศีลห้าขึ้นไปศีลห้าศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, ส 10, หรือศีลสองร้ยี่สบเจดถึงจะสามารถที่จะบรรลุ รับผลนิพพานได้แต่นอกจากศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นเวลาได้นานแล้วก็เกิดอุเบกขาขึ้นมาภายในจิตคือจิตที่เป็นกลางจิตที่ไม่มีอารมณ์เช่นความรักชางกลัวหลง เรียกว่าสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อที่จะตัดสังโยชน์สามข้อแรกสสังโยชน์นี้เป็นเหมือนข้อสอบของของการที่จะเป็นพระโสดาบันสามข้อแรกของของพระโสดาบันสังโยชน์สามข้อแรกคือหนึ่งสักยะทิฐิคือความเห็นว่าขันหานี้มีตัวมีตน อันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเห็นผิดต้องละสักการทิฏฐินี้ให้ได้เช่นตอนนี้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเวทนาความรู้สึกเป็นเราเราเป็นผู้มีความรู้สึกสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเรา วิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นเรา <S <S <ม>เราเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเราเป็นผู้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเป็นผู้จาสิ่งนั้นสิ่งนี <S <S <ม>้เราเป็นผู้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มาทางร่างกาย <S <S <ม>แล้วก็ไปเห็นว่าร่างกายนี้ที่มีอาการสามสิบสองนี้เป็นตัวเรา <S <S อันนี้เรียกว่าเป็นสักกายะทิฏฐิคือเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเปรียบเหมือนกับสมัยก่อนนี่การสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์<ม>คนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะคิดว่าโลกนี้แบนกัน<ม>คิดว่าโลกนี้เป็นเหมือนโต๊ะ<ม>แบนเหมือนโต๊ะล<ม>าบถ้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลเดี๋ยวจะตกออกจากโลกได้ เลยไม่มีใครกล้าออกไปไกลๆกลัวเดี๋ยวจะพอไปถึงขอบขอบทะเลแล้วจะตกออกจากโลกไปเหมือนตกออกจากขอบโต๊ะไปอันนั้นเป็นความเห็นที่ผิดเพราะความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่แบนเหมือนโต๊ะโลกนี้กลมเหมือนลูกฟุตบอลจะไป ไปยังไงมันก็ไม่มีวันดุดออกจากโลกนี้ไปได้เพราะมันจะกลมมันจะมุมันจะโค้งเว้าไปเรื่อยๆของมันเ <Yeah. S 1> นี่ยตอนหลังนักวิทยาศาสตร์ก็มาพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้กลมสมัยนี้เราเลยไม่กลัวเวลาที่เรานั่งเรือออกไปไกลๆที่ทางทะเลจะไม่กลัวว่าเดี๋ยวพอไปถึงขอบทะเลแล้วจะตกออกจากโลกนี้ไปไหม เขารู้ว่ามันไม่มันไม่มีขอบโลกนี้มันกลมฉันใดพระพุทธเจ้าก็มาทรงค้นพบว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นสภาวะธรรมสภาวะหมายถึงเป็นสิ่งที่ปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับดิน เหมือนกับฝนตกแดดออกเนี่ยฝนตกแดดออกนี่เรารู้ว่าไม่มีตัวตนในในในตัวฝนไม่มีใครทำให้ฝนตกไม่มีใครทาให้แดดออกมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นการหมุนเวียนของโลกที่กลมกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็เลยทำให้มีมืดมีสว่างมีลมพัดมีอะไรต่างๆขึ้นมา เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของสภาวธรรมต่างๆที่มีการากระทบกันจึงทำให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อความร้อนมากระทบกับความเย็ น, นยก็ทำให้เกิดมีฝนขึ้นมาเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของสภาวธรรมฉันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ก็เป็นสภาวธรรม รูปคือร่างกายนี้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการรวมตัวของาธาตุทั้งสี่คือาธาตุดินาธนาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาที่ทาธาตุดินาธาตุน้ำลมไฟนี้มารวมกันนี้เขาไม่ได้เอาดินเป็นที่ดินเราขูดจากดินขึ้นมาปั้นขึ้นมาให้เป็นร่างกายแต่จะเข้ามาผ่านทางอาหารอาหารเช่นข้าวผักนี้ ก็เป็นส่วนของดินทํามาจากดินเราต้องมีดินเราถึงปลูกผักปลูกข้าวขึ้นมาได้นอกจากมีดินแล้วก็ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ต้องมีอุณหภูมิคือความร้อนธาตุไฟพอประมาณไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปถ้าหนาวเกินไปต้นไม้ใบหญ้าก็ขึ้นไม่ได้ถ้าร้อนเกินไปต้นไม้ใบหญ้าก็ตาย ต้องมีความร้อนธาตุไฟพอประมาณแล้วก็ต้องมีอากาศหายใจเหมือนที่เราหายใจกันนี้ต้นไม้นี่ถ้าขาดอากาศก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็จะตายไปฉนั้นต้นไม้นี่ก็ต้นไม้ต้นข้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่ผสมจากธาตุทั้งสี่นี่คือดินน้ําลมไฟแล้วก็ร่างกายก็กินข้าวเข้าไปกินผักเข้าไป แล้วก็เท่ากับเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายนี่นอกจากนั้นก็เอาธาตุลมที่เข้าไปทางการหายใจเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกนี่เรากาลังเติมลมเติมธาตุลมให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเอาลมเอาลมใหม่เข้าไปแล้วก็เอาลมเก่าออกมาธาตุน้ำก็เหมือนกันเราก็คอยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆ เ, เราคอยดื่มน้ำอยู่ ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราขาดน้ํากันไม่ได้เดิมแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนถ่ายเอาน้ําเอาน้ําใหม่เข้าแล้วก็น้ําเก่าออกมาเวลาที่เราถ่ายออกมาก็เป็นน้ําเก่าและวเวลาเราถ่ายธาตุก็ก็ถ่ายพวกธาตุดินออกมาเวลาเราเข้าห้องน้นํานี่อันนี้ก็เป็นการระบบการหมุนเวียนของธาตุสี่ในร่างกายของเราเนี่ย ถ้าเราพิจารณาร่างกายเราศึกษาร่างกายเราจริงๆนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวเราของเราเลยเช่นผมนี่มันก็เป็นผมเวลาตัดผมทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปเวลาตัดผมไปแล้วตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าเราว่าผมนี่เป็นเราเป็นของเรา เวลาเราตัดผมทิ้งไปนี้เราก็ต้องหายไปกับผมด้วยแต่ตัวเราก็ยังอยู่เท่าเดิมเวลาเราถอนฟันไปฟันทิ้งไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายนั่นเองเรามันอยู่ในความคิดใช่ไหมเราคิดขึ้นมาเองเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงถ้าเราศึกษา ตามแนววิทยาศาสตร์นีหรือตามแนวทางธรรมะนี้ท่านจะสอนให้เราเห็นว่าร่างกายเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มีการจเจริญเติบโตแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็มีการตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือมายับยั้งสภาวะธรรมอันนี้ได้ อันนี้มันเป็นเหมือนวัตจักของร่างกายวัตจักของร่างกายคือมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในคันของแม่นี่วิธีร่างกายนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีการผสมพันธ์ของพ่อและของแม่ามารวมกันแล้วพอติดเป็นทารกขึ้นมาก็จะมีการจเจริญเติบโตโดยอาศัยธาตุ ที่มารดาหล่อเลี้ยงให้ในในคันมีสายสะดือที่ส่งอาหารส่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็สายไฟที่ในร่างกายของแม่ธาตุลมก็ยังไม่ต้องมีเพราะอาศัยลมที่แม่ใช้หายใจอยู่นี้แต่พอคลอดออกมาปั๊บนี้ก็ต้องหายใจเองเพราะว่าไม่ไม่มีแม่คอยบ้อนธาตุลมให้ ก็เลยต้องมาออกพอคลอดออกมาก็ต้องร้องก็ต้องหายใจเองแล้วก็ต้องเอ า, าธาตุดินาธาตน้ำาธาตุลมาธาตุไฟเข้าไปเองต้องรับประทานอาหารต้องดื่มน้ำต้องมีผ้าหม่มเวลาร่างกายเย็นเกินไปก็ต้องมีการห่มผ้าเพื่อป้องกันาธาตุไฟไม่ให้หายไปอันนี้เป็นเรื่องระบบของาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ในของร่างกายนี้ถ้าเราศึกษาเราดูส่วนประกอบของร่างกายนี้ท่านก็สอนให้เราดูว่าร่างกายนี้มีส่วนประกอบอยู่สามสิบสามสามสิบสองอาการด้วยกันเริ่มต้นที่ผมขนเล็บฟันหนังนี่นี่เป็นอาการห้าอาการแรกที่เราสามารถเห็นได้ภายนอกทุกคนมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังแต่ หลังจากนั้นนี้จะมองไม่เห็นเพราะเป็นของที่อยู่ใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูกนี้ก็มีตั้งแต่กระโหลกศรีรษะลงไปจนถึงนิ้วเท้าก <c oughs> ็มีกระดูก ม, มีกระดูกอยู่นอกจากกระดูกแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆเช่นระบบหายใจก็มีปอดเนี่ย ระบบที่ขับเคลื่อนเลือดนี้ก็มีหัวใจเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็มีระบบการเรื่องอาหารระบบการขับถ่ายอาหารก็มีกระเพาะมีลำไส้เนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นอาการไม่มีตัวไ ม, มีตนในอาการเหล่านั้นหัวใจนี้ไม่มีตัวตน สมัยนี้เขามีการเปลี่ยนหัวใจกันได้เวลาเข้าหัวใจจากคนนี้ไปใส่อีกคนหนึ่งนี้ตอนนี้คนคนใหม่นี้เป็นคนเก่าแล้วเป็นคนคนเดิมอยู่คนที่รับหัวใจของคนที่เขาตายไปนี้มาให้ใส่จะกลายเป็นคนคนที่ตายไปหรือเปล่าก็าไม่เป็นในชะ่ไหมเพราะมันเป็นเพียงหัวใจคนเดิมก็คือคนเดิมคนเดิมอยู่ที่ใจไงใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวเราอยู่ที่ใจใจคือผู้รู้ผู้คิด<ม>ผู้ที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือใจ<ม>ขันขันห้านี้แบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนที่เป็นร่างกายก็คือรูปประขัน<ม>ที่มีอาการ32สองที่ทํามาจากดินน้ําลมไฟมไม่มีตัวตนมไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้เจ้าของที่แท้จริงของร่างกายนี้คือดินน้ําลมไฟม เดี๋ยววันหนึ่งดินน้ำลมไฟเขาก็จะมาเรียกคืนธาตุธาตุดินก็จะเรียกเอาส่วนที่เป็นธาตุดินคืนไปธาตุลมก็จะเอาส่วนที่เป็นธาตุลมคืนไปธาตุน้ำก็จะเอาส่วนที่เป็นธาตุน้ำคืนไปธาตุไฟก็เอาส่วนนั้นคืนไปดูถ้าพิจารณาดูตอนคนตายนี้เราจะเห็นการแยกธาตุอย่างชัดเจนพอพอตายปับ๊บถึงแรกที่ไปก็คือลมหายใจ ลมหายใจไม่เข้าแล้วแล้วลมที่มีเหลืออยู่ในร่างกายก็จะระเหยออกมาแล้วธาตุที่สองที่จะไปก็คือธาตุไฟร่างกายนี้จะเย็นไม่เหมือนร่างกายของคนเป็นคนเป็นนี้ร่างกายจะมีความอุ่นมีอุณหภูมิสามสิบหกจุดสามแต่ถ้าไปวัดอุณหภูมิของคนตายนี้จะต่ำกว่าสามสิบหกเพราะธาตุไฟนี้ดูดออกไปแล้วไปสองธาตุก่อนแล้ว ธาตุนมแล้วก็ธาตุไฟตามไปต่อมาถ้าทิ้งไว้ไม่ไปทําอะไรนี่ต่อไปธาตุน้ําก็จะไหลออกมาเวลาร่างกายเกิดกอาการอืดอืดพองขึ้นมาดูทวาวรตามต่างทว า, าวรตา่ตางๆจะมีน้ำไหลออกมาเวลาที่ย่ายวยมไปลดน้ําศพนี่จะสังเกตที่เขาจะมีสําลีปิดที่ปลายจมูกไว้กันไม่ให้มีน้ําออกมาทางจมูกน เพราะว่าทาตเขาจะแยกออกจากกันธาตุน้ำจะแยกเหลือสองธาตุที่ยังอยู่ธาตุลมธาตุไฟไปแล้วเหลือธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะไหลออกมาแยากออกมาเลือดละเหยอออกไปถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาร่างกายไปเผาไม่เอาไปฝังปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเราไปร่างกายก็จะแห้งไปดูพวกมัมมี่นยพวกที่เขาเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน นี่คือธาตุดินที่เหลืออยู่มัมมี่นี่ก็คือส่วนธาตุดินธาตุน้ำไม่มีในในในตัวมัมมี่ธาตุไฟก็ไม่มีธาตุลมก็ไม่มีเป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งตุ๊ ก, กตาที่เราเห็นตามร้านเวลาร้านเขาจะขายเสื้อผ้าเขาก็มีตุ๊กตาแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่ในตัวตุ๊กตาร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นวัตถุเนยไม่มีตัวไม่มีตน เพียงแต่ว่ามีจิตมีใจคือมีมาเกี่ยวข้องด้วยมามาเกาะติดใจนี้มาเกาะติดกับร่างกายผ่านขันที่เรียกว่าวิญญาณนักขันวิญญาณนักขันนี่เป็นเหมือนกับกระแสที่ใจส่งมาเกาะติดกับทวารกับทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกวิ้นกายเพราะว่า ใจนี้ต้องการที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือมีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ริมรสแลมีร่างกายนี้ไว้สัมผัสกับความรู้สึกสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งเป็นต้น ผู้ที่รับข้อมูลเหล่านี้จากร่างกายไปสู่ใจก็คือวิญญาณนักขันวิญญาณนักขั น, นี่ก็มีอยู่ 5, 5้หสายด้วยกันวิญญาณที่มาเกาะที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเกาะที่จมูกที่ลิ้นที่ร่างกายก็มีชื่อของมันแต่มันก็เป็นตัวที่มารับข้อมูล เหมือนกับโทรสำมือถือนี้เราก็มีสายเสียบเสียบไว้สําหรับรับเสียงเวลาเราอยากจะฟังเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือเราก็เสียบสายเข้าไปเวลาที่เราต้องการส่งสัญญาณเราก็ใช้เสียบไมโครโฟนเข้าไปอย่างนี้อันนี้เป็นสายวิญญาณ น, นี้เป็นเหมือนสายที่เชื่อมร่างกายกับจิตใจให้ให้สามารถทํางานร่วมกันได้จิตใจนี้ต้องการใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสษเพราะจิตใจนี้มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสฝังอยู่ที่เรียกว่ากามาตัาหาความอยากอันนี้แหละที่ทำให้จิตใจเรามาเกิดกันมามีร่างกายกันใจของพวกเราทุกคนนี้มีกามาตัาหามีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากนมกลิ่นอยากสัมผัส กับความรู้สึกผ่านทางร่างกายต่างๆจึงทำให้เราต้องมาเกาะติดกับร่างกายพอเรามีโอกาสมีจังหวะที่เรามาเจอร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่เราเข้ามาก่อนคนอื่นเราก็มาเกาะติดไปเลยมาเคลมว่าร่างกายนี้เป็นของเรา ท, าทันทีแล้วพอร่างกายนี้คลอดออกมาจากท้องแม่เราก็ใช้ร่างกายนี้เป็น ผู้ทำอะไรตามความอยากของเราสิ่งที่เราใช้ในการสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเราเรียกว่าสังขารสังขารอันนี้ไม่ใช่สังขารร่างกายนะแต่แปลว่าสังขารความคิดปรุงแต่งการที่เราจะไปไหนมาไหนได้นี่เราต้องใช้ความคิดก่อนใช่ก่อนจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปวัดกันพอคิดแล้วเราก็สั่ง ความคิดก็สั่งว่าออกเดินทางถึงเวลาออกเดินทางมาได้แล้วสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นสั่งให้ร่างกายเดินให้ขึ้นรถขับรถมาตอนนั้นที่สุดก็มาถึงที่นี่ได้<ม>ผู้ที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่าสังขาร<ม>นามขันมีอยู่สี่ขันแรกที่เราพูดถึงก็คือวิญญาณขันเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสปุถพภะจากตาตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>แล้วก็ เวลาที่ร่างกายต้องการรูปเสียงกลิ่นลดเวลาใจต้องการรูปเสียงกลิ่นลดชนิดไหนสังขารก็จะเป็นผู้สั่งการวันนี้เดี๋ยวไปดูไปดูไปฟังที่ไปดูไปฟังอะไรสังขารเป็นคนสั่งเนเช่น mm hmm. วันนี้จะมาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน mm hmm. สังขารก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดกัน สังขารนี้เป็นผู้ทําหน้าที่สั่งการต่างๆสั่งให้ทําอะไรต่างๆนี้คือสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้วก็สัญญาเป็นผู้แปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเพราะว่าเวลาเราเห็นรูปนี้รูปมันมีหลายชนิดด้วยกันใ น, น, นรูปของคนนั่นรูปของคนนี้รูปของคนที่เรารู้จักรูปของคนที่เราไม่รู้จัก สัญญานี้จะเป็นผู้จำาพรูปต่างๆไว้รูปที่เคยเห็นก็จะจำได้ว่ารูปคนนี้คนนี้ชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้สำหรับรูปที่ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาเวลาเราเห็นรูปปั๊บได้ยินเสียงปั๊บนี่สัญญาจะเป็นผู้มาทำหน้าที่วิเคราะห์ดูว่ารูปนี้เป็นใครเป็นอะไรเป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นภัยหรือเป็นเป็นเป็นพิษเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาสัญญาจะจําได้เพราะคนที่เป็นศัตรูกับเราเนเราก็จะจําได้ถ้าเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนถ้าเคยเป็นมิตรกันมาก่อนเราก็จะจําได้ถ้าไม่เคยเป็นมิตรไม่เคยเป็นศัตรูเราก็ก็เราก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้คือหน้าที่ของสัญญาสัญญาแปลว่าความจําได้หมายรู้ นี่คือนามขันแล้วพอเกิดความจำได้หมายรู้ก็จะเกิดความรู้สึกตามมาเวทนาจะเกิดขึ้นถ้าเราเห็นรูปที่เราชอบเราจำได้ว่ารูปนี้ดีเคยให้ความสุขกับเราเราก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาทันทีถ้าเราเห็นรูปที่เราจำได้ว่าทาเคยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเคยทาให้เราเสียหายเดือดร้อนพอเห็นรูปนี้ขึ้นปับ๊บ เวทนาทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยมันทางานโดยอัตโนมัตินะไม่มีใครสั่งการเราไม่ได้สั่งให้สัญญาจำนู่นจำนี่มันจำของมันเองเราไม่ได้สั่งให้สังขารคิดมันคิดของมันเองเราไม่ได้สั่งให้วิญญาณไปรับรูปเสียงกลิ่นมันทำหน้าที่ของมันของมันโดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าถ้าเรามีสตินี่มีปัญญาเราจะสามารถมาควบคุม S 1> <S 1> <S สัญญาสังขารได้เวลาเห็นอะไรแล้วเกิดเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่ถ้าเรามีสติเราหยุดอารมณ์ได้ <S <S หยุดความรักหยุดความชังหยุดความกลัวหยุดความหลงได้ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไหลไปตามอารมณ์ทันทีเห็นอะไรชอบก็ดีใจหัวเราะเคลิ้มเห็นอะไรไม่ชอบก็ร้องหม o ร้องไห้เสียอกเสียใจขึ้นมาหักห้ามจิตใจไม่ได้ การที่เราหักข้ามจิตใจเราไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้เราทําให้ใจเราอยู่เป็นปกติใจเราจึงแกว่งไปแกว่งมาไปกับความรู้สึกที่มาที่เราไปสัมผัสรับรู้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขใจก็ดีใจไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ทําให้เสียใจก็เศร้าใจขึ้นมานี่คือ การทำงานของขันห้าที่เรามาให้ฟังนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าทั้งขันห้านี้ไม่มีตัวตนนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้คิดสังขารมันคิดของมันอยู่เรื่อยสัญญาณมันก็จำของมันไปอยู่เรื่อยจำอดีตจำอะไรต่างๆบางทีอยู่เฉยๆมันก็นั่งไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานนี้บ้างเมื่อเดือนที่แล้วบ้างหรือบางทีได้สัมผัสกับ เสียงอะไรขึ้นมาก็ทําให้เรานึกถึงอดีตขึ้นมาได้เห็นอะไรก็อาจจะทําให้เรานึกถึงอดีตขึ้นมาได้หรืออาจจะนึกถึงอนาคตขึ้นมาก็ได้อันนี้มันเป็นการทํางานของสภาวะธรรมที่เรียกว่านามขันธ์หรือกับรูปขันธ์มันเป็นของที่ทํางานร่วมกันรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องมีตาต้องมีรูปขันธ์เป็นผู้รับเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็จะทําให้เกิดการทํางานของ วิญญาณขันของสัญญาขันของเวทนาขันแล้วก็ของสังขารขันเนี่ยมันเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติของมันไม่มีใครเป็นผู้คอยสั่งให้มันทำมันทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็ทำใหม่ผู้ที่จะมาควบคุมสั่งการได้นี้ก็คือสติและปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถมาควบคุมสั่งการขันห้าได้ คนที่ไม่มีสติปัญญาคือใครก็พวกคนเสียสตินี่สังเกตคนที่ไม่มีสติคนที่เขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนนี่คนสติปัญญาอ่อนนี้จะไม่สามารถที่จะควบคุมขันห้าให้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวได้ก็จะเป็นไปสเปสสปะตามอารมณ์ของมัน นึกอยากจะทำอะไรมันก็ทำนึกอยากจะนอนก็นอนนึกอยากจะหัวเราะขึ้นมาก็หัวเราะไปดูคนที่เสียสติด้วยบางทีก็อยู่เฉยๆเขาก็หัวเราะขึ้นมาบางทีเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาเพราะว่าภายในใจเขามีอารมณ์แปรปรวนไปเรื่อยๆมีอารมณ์ที่เดี๋ยวไปไปคิดถึงเรื่องที่ดีก็ดีใจพอไปคิดถึงเรื่องที่เศร้าก็เสียใจพอไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้ก็โวยวาย ร้องขออย่างได้เอานู่นอยาเอานี่ขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานของขันหนะ่านหน้าของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสำหรับคนที่ไม่มีสตินี้จะไม่สามารถควบคุมการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้<ม>ก็เลยกลายเป็นคนเสียสติไปจึงต้องถูกจับไปอยู่ในสถานที่กักกัน เพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่ตามลำพังก็หนึ่งอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้สองอาจจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่คือเรื่องของขันห้าที่ไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนเพียงแต่ว่าเรามีสติปัญญาเราเลยสามารถพอที่จะควบคุมขันห้านี้ให้อยู่ในกรอบของคำสั่งของเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทุกระดับ เช่นร่างกายนี้เราก็สามารถควบคุมให้มันอยู่ตามที่เราต้องการได้ในระดับหนึ่งแต่พอถึงอีกระดับหนึ่งนี้ถ้ามันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเกิดมันจะไปติดเชื้อโรคขึ้นมามนเราก็ห้ามมันไม่ได้เพติดเชื้อปั๊บมันก็จะมีโรคตามมาทันทีทีนี้เราก็ต้องหายามารักษากันไปรักษาได้ก็หายถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับโรคนั้นไป รือไม่เช่นั้นก็ถูกโรคนั้นทำให้ร่างกายตายไปอ่า น, นี่คือเรียกว่าขันห้าที่พวกเรานี้ยังไม่เข้าใจไปคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเราเรามักจะคิดว่าเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้เจ็บผู้มีความสุขผู้มีความทุกข์ความจริงเราเป็นผู้รู้ผู้รู้สุขรู้ทุกข์เวลาเกิดความสุขขึ้นมาเราก็รู้แต่เราไม่ได้เป็น เราไม่ได้เป็นตัวสุขตัวทุกข์เราเป็นเพียงแต่ตัวรู้ที่มารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการาสัมผัสของของขันเคยเวิยนญาณขันกับสัญญาขันพอสัมผัสรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาในใจเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดมามันมันแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับแล้วเรื่องใหม่ก็ตามมา เรามีเรื่องต่างๆเข้ามายอยู่แเรื่องแต่ละวันมันมาเป็นชุดๆเนยเรื่องนี้มาปั๊บก็มีความสุขความทุกข์มาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาก็มีสุขมีทุกข์ผ่านไปเข้ามาอยู่เรื่อยๆอันนี้คือการทำงานของขันห้าเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาใจเราก็จะทุกข์จะวุ่นวายไปกับขันห้ากับการแปรปวนของขันห้าเพราะถ้าใจเราไม่มีสติไม่มีปัญญานี้ใจเราจะมีความหลง ที่ไปคิดว่าเราสามารถที่จะสั่งขันห้าให้ทำอะไรตามที่เราต้องการได้คือเราจะสั่งให้ขันห้านี้ผลิตแต่ความสุขให้กับเราตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงเราไม่สามารถทำได้บางวันเราก็สุขบางวันเราก็ทุกข์แล้วพอวันไหนที่เราทุกข์เราก็เลยทุกข์หนักขึ้นทุกทางร่างกายแล้วไม่พอยังมาทุกข์ทางใจด้ว ย, อ, ยอันนี้คือปัญหาของพวกเรา ที่เราไม่สามารถแยกตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ออกจากร่างกายได้ออกจากขันได้ถ้าเรามาพิจารณาบ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าใจธรรมชาติของขันห่าว่าหนึ่งไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วเช่นเสียงที่เราได้ยินพอได้ยินปุ๊บสัญญาก็ทาหน้าที่ปับ๊บ เวทนาก็เกิดขึ้นปับ๊บแล้วก็ดับไปพร้อมๆกัน เ, เดี๋ยวเสียงใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วก็สัญญาก็ทําหน้าที่เวทนาก็ทําหน้าที่แล้วสังขารก็ทําหน้าที่ว่าจะทําอะไรกับเสียงเหล่านี้แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปนี่คือเรื่องของขันห้าที่เราต้องมาศึกษามาพิจารณาให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราอย่าไปควบอย่าไปอยากควบคุมบังคับมัน เพราะความอยากควบคุมบังคับมันนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันทุกกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเราเช่นร่างกายนี้เราก็อยากจะควบคุมให้มันดีให้มันสวยให้มันงามให้มันแข็งแรงให้มีทำหน้าที่อะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันทำได้อยากจะไปไหนก็ไปได้มีกำลังวังชามีอะไรทุกอย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ทาได้ในระดับหนึ่ง พอวันดีวันดีขึ้นวันดีขึ้นดีขึ้นมามันก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาเพราะว่านี่คือธรรมชาติของร่างกายมันไม่เที่ยมมีเกิดมีแ ก, มแก่มีเจ็บมีตายมีเป็นสิ่งที่เราต้องมาสอนใจเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราอนัตตาเป็นการเป็นการทำงานของธาตุสีเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง ของการรวมตัวของธาตุสี่มาทำหน้าที่ให้ร่างกายนี้สามารถทำอะไรต่างๆได้เช่นดูรูปได้ฟังเสียงได้อะไรได้แต่มันจะทำหน้าที่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งอายุ80 90แล้วมันก็จะสิ้นสุดลงเวลานั้นธาตุทั้งสีก็ที่มารวมตัวในร่างกายก็ต้องแยกออกจากกัน้าถ้าใจผู้ใช้ร่างกายนี้อยากให้อยู่ไปเรื่อยๆก็จะทุกข์ เพราะว่ามัน ม, มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าใจได้รับเรียนได้ได้ศึกษาได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปนี้ต่อไปเราจะต้องต้องเสียร่างกายนี้ไปแล้วพยายามทำใจให้เฉยเฉยให้ได้ถ้าเราทำใจให้เฉยเฉยให้ได้เวลาเราสูญเสียร่างกายไปเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียร่างกายไป นี่คือสิ่งที่พระโสดาบันจะต้องศึกษาจะต้องทำให้ได้คือต้องปล่อยวางขันห้าให้ได้ต้องยอมรับว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะต้องมีการดับไปจะต้องมีการแยกออกจากกันคือขันที่ขันที่หนึ่งคือรูปประขันนี้จะต้องแยกออกจากร่างกายออกจากใจไปแต่ขันอีกสี่ขันนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ ยังอยู่กับใจเพราะมาเป็นส่วนของใจไม่ใช่เป็นส่วนของร่างกายร่างกายตายไปใจก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ใจก็ใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ดูดูรูปทิพเสียงทิพแทนแทนที่จะดูรูปเสียงที่เป็นผ่านมาทางตาหูจมูกนิ้งกายของร่างกายเวลาไม่มีร่างกายใจก็ใช้ ใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนทิพย์ไปได้สัญญาก็ยังนึกถึงภาพต่างๆได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทําในแต่ละวันนี้มันได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในใจของเราใจเรานี่เป็นเหมือนเครื่องบันทึกภาพและเสียงต่างๆพอไม่มีร่างกายให้เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่ลรสใจเราก็อาศัยสัญญาความจํา ที่เราเคยสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมามาเสพมาสัมผัสเช่นตอนที่เวลาเรานอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมตาหูจมูกของร่างกายนี้พักพักพักผ่อนแต่ใจเราก็ยังมีรูปทิพย์เสียงทิพย์ให้ในรูปแบบของความฝันเนี่เวล า, เานอนหลับแล้วก็ฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปกินอาหารที่นั่นได้ไปดื่มอะไรได้ไปดูไปฟังอะไร อันนี้ก็เป็นการทำงานของนามขันของขันคือของขอ ง, ของสัญญาสังขารและขวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานต่อไปมเมื่อไม่มีรูปประขันนามขันก็ยังทำงานอยู่ทำแต่ทำในรูปแบบของความฝันไปจนกว่ า, า จ, จะไปได้ร่างกายอันใหม่พอเกิดใหม่ก็มาใช้ร่างกายอันใหม่นี้รับรูปเสียงกินลดขึ้นมาใหม่ แล้วก็มาทำอะไรต่างๆอย่างที่เราทำกันอยู่อย่างนี้นี่คือเรื่องของขันห้าที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจนี้จะต้องคอยวุ่นวายอยู่เรื่อยกับเรื่องของร่างกายเพราะว่าเราอาศัยร่างกายให้ความสุขกับเรารับใช้เราพาเราไปทำอะไรต่างๆเราก็อยากให้ร่างกายนี้ดีตลอดเวลาแต่ความอยากนี้มันไม่ได้บน ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันก็เรียกว่าเป็นความหลงความหลงก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายของเรานี้มันจะดีไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีความเสื่อมเราดูร่างกายของคนอื่น ท, ที่เขาเกิดก่อนเราดูดูร่างกายของพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนตอนที่เขาอายุเท่าเราเขาก็เป็นเหมือนเรานี่นะเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์ทําอะไรต่า ง, า ง, า ง, างๆนานาได้หมด แต่พอเขาอายุถึงวัยของเขาหกสิบเจ็ดสิบเขาเป็นยังไงแล้วเขาห้ามมันได้หรือเปล่าก็ห้ามมันไม่ได้ให้ห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้ไหมห้ามไม่ให้ร่างกายอ่อนแอได้ไหมมันก็เป็นไปตามสภาวะของมัน <S <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยมมันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกาย ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะไม่มีความสุขเมื่อขาดร่างกายเรายังมีความสุขได้เช่นเวลาเรานอนหลับเราก็ยังฝันดีได้ฝันท<ฮ>ี่เราอยากจะมีความสุขเราอยากจะฝันดีเราก็ต้องทาบุญเท่านั้นพอเวลาเราทาบุญนี้เราจะบันทึกแต่เรื่องดีๆไว้ในใจเราพอเวลาเรานอนหลับเราก็เรื่องดีๆที่เราบันทึกนี้มาแสดงให้เราดูกันอย่าไปทาบาป <populations. S 2> เพราะเราจะบันทึกแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้ในใจของเรา พอเรานอนหลับไปหรือตายไ ป, ไปร่างกายไม่มีร่างกายเราก็จะฝันเรื่องที่ไม่ดีฝันแต่เรื่องที่ทำให้เกิดความทุกใจขึ้นมาอันนี้เขาเรียกเราก็เรียกว่าเป็นอบายเป็นเป็นจิตที่รับผลของกรรมรับผลของบาปเป็นเปรตบ้างเป็นอสวรรกายบ้างเป็นนรกบ้างฝันไม่ดีฝันฝันฝันเกี่ยวกับความหิวโหยต่างๆเราเรียกว่าเปรต ฝันเกี่ยวกับเรื่องความหวาดตัวต่างๆก็เรียกว่าสุลกายฝันถึงเรื่องของความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นต่างๆก็เรียกว่านรก <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเรื่องของนามขันที่อยู่ในใจที่ยังทํางานต่อไปตามอานาจบุญตามอานาจ บ, บาป <Yeah. S 1> ที่ที่จะส่งผลให้กับของจิตใจสาหรับผู้ที่ได้ศึกษาขันห้านี้อย่างท่องแท้แล้วก็จะสามารถปล่อยวางได้ ปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อถึงเวลามันจะแ ก, ะก่ก็แก่ให้มันแก่ไปถ้ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปถ้ามันจะตายห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมตายไปถ้ายอมแล้วใจจะเย็นใจจะหยุดต่อต้านถ้าไม่ยอมในี่ใจจะต่อต้านถ้าต่อต้านแล้วใจจะเครียดถึงต้องพยายามหัดใช้สามยอยอม ยอมรับความจริงของร่างกายพราร่างกายนี้ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อยอมแล้วก็จะไม่ต่อต้านจะหยุดต่อต้านเมื่อหยุดต่อต้านแล้วใจก็จะเย็นขึ้นมาใจจะสงบเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ทำไมจะต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายข็เพราะความหลงนี่เองหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกาย แล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีร่างกายตัวเองจะลำบากความจริงไม่ลำบากการไม่มีร่างกายนี้กลับสบายกว่าีกเพราะอะไรเพราะไม่ต้องดูแลร่างกายไงเวลามีร่างกายนี้ต้องเลี้ยงดูแลมันต้องหายใจทุ ก, ท, ก, ท, กทุกลมหายใจเข้าออกต้องหาอะไรกินหาอะไรดื่มอยู่เรื่อยๆต้องคอยรักษาต้องอาบน้าอาบทาให้มันต้องคอยปกป้องรักษาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาอพอไม่มีร่างกายนี้สบาย แต่เช่นตอนที่เรานอนหลับนี่สบายนะมห้ยรือเรื่องร่างกายไปชั่วข่าวร่างกายจะเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่จะหิวจะอะไรมันจะลืมไปหมดเลยเพราะว่ามันแยกออกจากร่างกายชั่วข่าวเวลาที่เรานอนหลับฉนั้นเราถ้าเรามีความรู้ความเป็นจริงแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย เราสามารถอยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลนี่แหละด้วยความสงบถ้าเรามีบุญมีกุศลมีความสงบเรามีสมาธิมีศีลเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆรือับรองได้ว่าเวลาร่างกายไม่มีหรือเวลาเราใช้ร่างกายไม่ได้นี้เราจะไม่เดือดร้อน <S <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายมันดีไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย น, นี่คือหน้าที่ของพระโสดาบันข้อสอบของพระโสดาบันคือต้องเจริญมัพคือศึกษาความเป็นจริงของขันห้าให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้ได้ mm. เห็นแล้วเห็นได้แล้วจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์กับขันห้าต่อไปไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของมัพผลนิพพานที่ ทางพระพุทธศาสนานี้จะมอบให้กับพวกเราได้แต่เราต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามอบมรรคผลนิพพานให้กับเราไม่ได้เราขอมรรคผลนิพพานจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราศึกษาเรียนรู้วิธีที่จะให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน่าเราจะชาตินี้เราจะอุทิศเวลาของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ใช่ทะเลาไหลทําเป็นลืมไปบ้างวันนี้ลืมลืมปฏิบัติลืมนั่งสมาธิ อ, อันนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะพอถึงเวลาที่จะนั่งนั่งสมาธิถึงเวลาจะต้องรักษาศีลถึงเวลาจะต้องทําบุญทาทานก็ต้องทําไป ท, ทันทีถึงจะเรียกว่ามีอธิษฐานสัจจะสัจจะอธิษฐาน แล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์<ม>ทําให้ตามตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วถ้ามีความทุกข์ยากลําบากก็ต้องมีขันติความอดทนต่อสู้อย่ายกธงขาวสู้ไม่ถอย<ม>ถ้าสู้ไม่ถอยแล้วรับประกรันได้ว่าจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนพระอริยสงสารุกทุกรูปนี่ท่านสู้ไม่ถอย<ม>ท่านมีวิริยะบารามีท่านมีขันติบารามี ท่านมีอธิษฐานบารมีท่านมีสัจจะบารมีจึงทาให้ท่านสามารถปฏิบัติธรรมครบถ้วนบริบูรณ์และบรรลุถึงมรรคผลมิพานได้พวกเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะภาษาวกกับพวกเราก็เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันมีกิเลสตัณหาเหมือนกันแต่ถ้าเรามีมาสร้างอธิษฐานบารมีกันมาสร้างสัจจะบารมีกันมาสร้างวิริยะบารมี สร้างขันติบามีกันแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายทำได้เหมือนกัน mm hmm. นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกโวเอนติสากลัง เอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพะโรโควินาศตุ มาเตพาวตวันตรายูสุขีทีคายุโกภาวะพิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตารุธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นเครื่องฐานสอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่รล้วแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่ขขงข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เฟซบุก422ยูทูบไลก85ทวิตยูอิน9คับเฮาส9แัะฟังหน้าคุติก51มีเกตเย22ท่าน Okay. ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยขับเข้าคำถามจากคุณบีมกุ้งขอสอบถามว่าหากเรายังมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงอยู่ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถือเป็นเครื่องเตือนว่าเรายังมีกิเลสอยู่ไหมครับและความตื่นเต้นถือเป็นกิเลสไหมครับก็เป็นความไม่ปกติของใจนะ ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์แบบหนึ่งความตื่นเต้นเกิดจากกิเลนเนี่ยนะเกิดจากความดีใจเกิดความเสียใจก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาขาดสติขาดปัญญาต้องฝึกสติให้มากๆเพื่อรักษาใจให้เป็นอุเบกขาให้เฉยให้ได้เวลาเจออะไรก็เฉยเหตุการณ์ตื่นเต้นก็เฉยเหตุการณ์เศร้าหมองก็เฉย คำถามจากคุณโฟกผู้ที่ตัดกรารราคะได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ได้รูปปัจจานหรืออารูปปัจานใช่ไหมครับส่วนใหญ่นักจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ายังไม่มีความสุขจากรูปปัจจานหรือรูปปัจจานนี้มันก็จะตัดความสุขทางการอารมณ์ไม่ได้ก็ต้องมีอะไรมาทดแทนกันเปลี่ยนกันเหมือนต้องเปลี่ยนรถใหม่ก่อนถึงจะเท่งรถเก่าได้ถ้ายังมีรถ ไม่มีรถใหม่มีรถเก่าก็ต้องอาศัยรถเก่าไปเรื่อยๆก่อนเช่นเดียวกันการหาความสุขก็มีสองรูปแบบแบบการมาสุขกับความสุขจากความสงบถ้ายังไม่มีความสุขจากความสงบก็จะสละความสุขทางการมาลมไม่ได้ต้องสร้างความสุขทางความสงบให้ได้ก่อนพอมีความสุขจากความสงบแล้วก็สามารถที่จะเลิกหาความสุขทางการมาลได้ ตต้องใช้ปัญญาถึงจะเลิกได้อย่างแท้จริงต้องพิจารณาว่าความสุขนี้เป็นความสุขปลอมสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั้นเรามองเห็นเพียงแต่ด้านเดียวเห็นด้านความสวยงามเราไม่เห็นด้านอีกด้านหนึ่งของร่างกายที่ไม่สวยงามฉะงนั้นถ้าเรานึกถึงเวลาที่ร่างกายต้องเปลี่ยนจากความสวยงามมาเป็นไม่สวยงามเมื่อไหร่ เราก็จะไม่มีความอยากจะเสพร่างกายนั้นอีกต่อไปเช่นถ้าเราอยากจะเลิกเสพการอารมณ์เราก็ต้องมองพยายามมองให้เห็นร่างกายที่เขาทำให้ดูว่าสวยว่างามนี้ว่ามันไม่สวยงามมันมีส่วนที่ไม่สวยงามเช่นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนั ง, งพิจารณาเข้าไปดูอาการ 3.2 ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังดูกระดูกดูหัวใจดูตับดูไตอะไรเป็นต้น ถ้าเห็นแล้วมันก็จะทำให้การอารมณ์ดับไปได้อย่างถาวรคำถามฝากถามค่ะการที่เราฟังธรรมแล้วเกิดปิติน้ำตาไหลแต่ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลได้ทั้งนี้เพราะเราขาดสติหรือเปล่าคะเพราะไม่สามารถบังคับสังขารได้เจ้าค่ะก็สติเรามีกำลังน้อยถ้ามีสติกำลังมากนี่สามารถระ ง, งับทุกสิ่งทุกอย่างได้ปิติก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง ความเสียใจก็เป็นอารมณ์อย่างทั้งสองอย่างก็ทำให้หลั่งน้ำตาเสียใจก็หลั่งน้ำตาดีใจก็หลั่งน้ำตาเพราะมันเป็นการแสดงออกของจิตผ่านทางร่างกายก็เลยต้องใช้ใช้น้ำน้ำตานี้เป็นตัวแสดงออกมาแต่ถ้ามีสติสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็จะเฉยได้ บุคคลทั่วไปจะกินข้าวสามมือ้อแต่พี่สุกสง์จะไม่กินหลังเที่ยงทำไมถึงไม่ทานข้าวหลังเที่ยงขอคราบเหตุผลครับเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปทําให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมทาให้เกียรไม่อยากจะปฏิบัติหนึ่งอยากจะนอนเวลากินหิวแล้วก็อยากจะนอนสองอจะทําใหา้ไม่มีความขยันหมั่นเพียรจะเกียรติคันและง่วงนอนจะทําให้ง่วงนอน ทำให้ขี้เกียจแล้วก็ง่วงนอนพอพอกินพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่มากกินเกินไปความรู้สึกง่วงนอนก็จะไม่มีแล้วความขี้เกียจก็จะไม่มีจะสามารถสั่งให้ทำงานได้ปฏิบัติทำได้คำถามจากคุณฟิลิปพระอาจารย์ครับเล่นการพนันบาปไหมครับและตกนรกจะโดนโทษอะไรบ้างครับพอพ้นนรกจะเกิดเป็นอะไรอีกครับ คือการเล่นการพนานนี้เรียกว่าอบายามุกยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นไม่ได้เป็นการกระทาบาปการกระทําบาปนี้คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดโตเวนีการพูดปดนี่เรียกว่าเป็นการกระทําบาปแต่อบายามุกนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปทําบาปต่อไปคำว่าอบายก็คือที่จะ ท, ที่จะไปเกิดหลังจากที่เราทาบาปแล้ว มุกก็คือถวางหรือประตูเข้าเข้าอกบายยังนก็เหมือนกับการไปยืนอยู่ที่หน้าประตูเวลาเราเสพอวบายามุกก็โอกาสที่จะเข้าไปในอบายมันง่ายขึ้นเช่นถ้าเล่นการมานานแล้วเกิดเงินหมดก็ไม่มีเงินจะเล่นต่ออยากจะเล่นต่อก็จะต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเล่ น, นก็จะทำให้ไปทำบาปถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกัน เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นนกเป็นแมวเป็นต้นหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรเปรหรือว่าไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสูลกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่เครียดแค้นก็เรียกว่านรกสาเหตุที่มีอยู่สี่ที่เพราะเหตุที่ทําบาปมีอยู่สี่ทำบาปเพราะความหลงเพราะความไม่รู้ก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเกิดเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเกิดเป็นอสูรกายทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกมีที่ไปสี่ที่ด้วยกันหลังจากที่ใช้กรรมหมดแล้กลรบ ม, มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเช่นเกิดมายากจนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบสาสิบสอง มีโลกภัยไค้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นเป็นต้นนี่เป็นผลของผู้ที่ทำบาป ก, กันเวล า, ารำมาเกิดก็จะเป็นมาเกิดเป็นอาภัพวาสนาะคำถามสกคุณมายุรีค่ะการที่จะบรรลุพระโสดาบันนั้นนอกจากจะมิติดอยู่ในสังขารแล้วยังมีคุณธรรมข้อไหนที่จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดไหมเจ้าคะก็ละพอละฐันห้าได้นะ และเห็นว่าการไปยุดติดขันห้าเป็นทุกข์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความไปยุดติดในขันห้าพอปล่อยวางขันห้าได้ความทุกข์ก็ดับไปก็จะก็จะรู้ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นของจริงแล้วเมื่อเป็นธรรมะเป็นของจริงคนสั่งสอนก็ต้องเป็นก็ต้องมีก็คือพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นของจริงภลายะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า แลบรรุธรรมได้ก็เป็นของจริงก็เลยทําให้หายสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงหรือไม่ไม่เป็นของที่เขาแต่งขึ้นมาบางคนเขคิดว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่งเรื่องราวของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรื่องราวของพระธรรมคําสอนเรื่องของพระอริยสงฆ์แต่พอปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสามารถปล่อยวางร่างกายปล่อยวางขันห้าได้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนถ้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็จะทุกข์ ก็จะเห็นอริยสัจสี่เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้านํามาสั่งสอนให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากเช่นอยากให้ร่างกายเป็นของเราไปเรื่อยๆซึ่งความจริงร่างกายมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวพอเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ไปยุึ์ไปติดเราปล่อยวางยอมให้ร่างกายตายจากเราไปได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกา ย, ยก็จะเห็นอริยสัจ เ, เห็นธรรมพระพุทเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตก็จะไม่สงสัยในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ยึดติดกับศิลพปพระตะปลารม่าก็คือการลูกคำศีลหรือคำการลูกคำกฎแห่งกรรมนี่ก็จะเห็นว่า สุขทุกข์นี้อยู่ที่การกระทําของใจของเราเป็นหลักถ้าใจเราทําบาปหรือใจเราทําด้วยความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใจเราไม่ทําบาปใจเราไม่ทําด้วยความอยากใจเราก็จะไม่ทุกข์ต่อไปเวลาทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปแก้ด้วยการไปทําพิธีกรรมต่างๆอย่างที่คนเขาทํากันคนที่ไปทําพิธีกรรมเพราะใจเขาทุกข์ใจก็ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องนี้ แต่เขาไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเขานี่เกิดจากความอยากของเขาอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปเขาก็ทุกขใจขึ้นมาแล้วเขาก็เลยที่ว่าต้องไปทำพิธีกรรมเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาอยากได้พอเขาอยากได้แล้วเขาก็จะหายทุกข์แต่ทำจริงๆแล้วก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันขึ้นอยู่กับเหตุกับผลถ้าทาให้เหตุมันเกิดขึ้นได้มันก็ผลก็ตามมาได้ แต่ถ้าเรื่องเรื่องของความไม่สบายใจนี้มันเกิดจากความอยากของเราเมื่อเราละความอยากได้เช่นเราละความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็จะไม่มีเราก็ไม่ต้องไปหาไปทําพิธีสะเดาะเคราะห์ไปทําอะไรต่างๆเพื่อรักษาให้ร่างกายเราอยู่ไปนานๆไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นใจของเราก็จะไม่เราก็จะเชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อว่าทําบาปแล้วจะทําให้เราทุกข์ทำความอยากเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทําให้เราทุกข์งั้นต่อไปเราก็จะไม่อยากเราจะยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ก็ปล่อยให้มีไปถ้ามันไม่มีมันจะไปก็ปล่อยให้มันไปจะไม่มีความอยากให้มันอยู่หรือมีความอยากให้มันไปเพราะเวลามีความอยากขึ้นมาก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรา ถามจากคุณต้นไม้ค่ะคำถามแรกถามว่าเรากับร่างกายเป็นคนละส่วนใช่ไหมเจ้าคะเราคือสิ่งที่อาศัยอยู่ในร่างกายซึ่งไม่มีรูปร่างหน้าตาใช่ไหมเจ้าคะใช่เราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดตอนที่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณพอพอเราได้ร่างกายเราก็เป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้มีขันหะเป็นเป็นผู้มีนามขันเป็นผู้ มีวิญญาณมีสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์แล้วเราก็ใช้ขันธ์นี้ทําหน้าที่หาความสุขให้กับเราสั่งให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปทําอะไรต่างๆแต่ร่างกายกับเรานี้ทักวันยังก็ต้องแยกออกจากกันเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ใจนี้เป็นของที่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีวันตายใจของเราเลยต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไปเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อย ความอำนาจของความอยากที nah hm ่อย so so really like sure ู่ในใจถ้าเราต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมากำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านปฏิบัติกันท่านก็ปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจพอหมดไม่มีความอยากแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความทุกข์ ที่จะตามมาจากความแก่ความเจ็บความตายคําถามที่สองถามว่าเราไม่ควรปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆในการดํารงชีวิตใช่ไหมเจ้าคะคือถ้าเราปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆมันส่วนใหญ่มันจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความโลภโกรธหลงแล้วก็จะทําให้ใจเราไม่สบายทําให้ใจเราเครียดหรือทําให้ใจเราซึมเศร้า คนที่ซึมเศร้าก็เพราะคิดไปในทางความอยากต่างๆพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใจก็เศร้าเมื่อไม่ได้บ่อยๆเขาก็จะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้หรือถ้าให้คิดก็ให้คิดไปในเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเรื่องงานเรื่องการหรือคิดในเรื่องที่จะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราก็จะมีความสุขดัยนังเราต้องรู้จักควบคุมความคิดในเบื้องต้นต้องหยุดความคิดให้ได้ พอหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนให้ใจคิดไปในทางที่สร้างความสุขให้กับใจคิดไปในทางที่จะทำให้ใจปล่อยวางให้หยุดความอยากเพราะความอยากนี้จะทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าเราคิดไปในทางที่จะทำให้ใจหายอยากได้ต่อไปเราจะไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ความเครียดจะไม่มีใจก็จะอยู่อย่างสบายคำ ถ, ถามจากคุณยินดีค่ะกลาวนมัมสการพระอาจารย์ครับ ผมมีข้อสงสัยว่าบุคคลธรรมดาที่เสียชีวิตเขาจะทราบไหมครับว่าตายจากโลกนี้แล้วซึ่งมีคำบอกเล่าว่าถ้าพระมาสดกุศลาแล้วดวงวิญญาณ น, นั้นจะทราบว่าตัวเขาเองตายแล้วครับส่วนพระอริยตั้งแต่พระโสดาบันท่านจะทราบว่าท่านได้ละสังขารแล้วไหมครับคือเวลาตายก็เหมือนเวลานอนหลับเวลานอนหลับเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราหลับเมื่อไหร่ ย่งนันก็เวลาตายกันเราก็ไม่รู้เราตายเมื่อไหร่อยนั้นจะรู้ก็ไม่รู้ก็ไม่สําคัญสำคัญว่าตายแบบไหนตายแบบสุขหรือตายแบบทุกข์ทัง้งนั้นตายแบบกลัวหรือตายแบบไม่กลัวถ้าเป็นพระอริยบุคคลนี่ฉันจะตายแบบไม่กลัวแต่ถ้าเป็นปูุ่ชนนี่ฉันจะตายแบบกลัวเพราะยังไปคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายอยู่ทั้งนั้นเองคําถามจากคุณอ๊อกโ้ถามว่า นกมาทารังบนหลังคาออกลูกและอุจจาระสกปรกมากค่ะแต่จะไล่ไปก็กลัวบาปมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ที่จำไม่บาปก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาเราคิดว่าอุจจาระของเขาก็เป็นเหมือนปุ๋ยเดี๋ยวฝนตกออกมามันก็ชะล้างลงไปในดินทำให้สนามหญ้าสดอ ย, อย่างเขียวดสดเงือบงวนยางขึ้นมา ทำให้ลำหนุงต้นไม้ไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะเขาจะได้ทับผลิตปุ๋ยมาเลี้ยงดูต้นไม้เราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถามว่าอารมณ์เสียใจดีใจเข้าใจว่าฟุ้งซ่านนะเจ้าคะแล้วก็สงบถ้าเราเห็นและมีสติอยู่พิจารณาด้านปัญญาได้ไหมคะถ้าเรามีปัญญาก็พิจารณาได้ เราพิจารณาว่าเป็นตายแล้วเป็นของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดมันก็จะทําให้เราเศร้าความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเวลามันเกิดมันก็จะทําให้เราเครียดแต่เดี๋ยวมันก็จะหมดไปเพรนั้นถ้าเราเฉยๆกับมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันไปใจเราจะไม่ทุกข์ปล่อยให้มันมาเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ย ฝนจะตกก็ต้องยอมรับมันเราห้ามมันไม่ได้เวลาแดดจะออกเราก็ห้ามมันไม่ได้ฉันใดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันก็แบบเดียวกันมันมาแล้วก็มันเดียวมันก็ไปอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันให้รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับใจเราพยายามรักษาอุเบกขาให้อยู่เฉยๆไปแล้วเป็นจุดที่ใจจะปลอดภัยที่สุด คำถามจากคุณดวงเดือนปรับเรียนถามเจ้าค่ะจิต ก, กับวิ ญ, ญญาณแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะเป็นตัวเดียวกันจิตบางทีเราก็เรียกว่าเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจอย่างตอนนี้เราก็เรียกตัวตัวคิดตัวรู้นี่ว่าจิตใจพอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเป็นตัวเดียวกันเปลี่ยนชื่อเหมือนคนเน่เหมือนคนจากเด็กเด็กชายก็เป็นนาย เด็หญิงก็เป็นเด็กนางสาวเป็นต้นเปลี่ยนสถานภาพเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันทูรู้ผู้กินเหมือนกันหมดแล้วหลายคำถามวิทยาถามเองอเชิญมีคําถามเกี่ยวกับสิ่ข้อห้าเจ้าค่ะที่เกล่าวถึงเรื่องการ อ่าไม่ไม่ดืม่มสุราเจ้าคะ่ะทีนี้ถ้าเป็นในกลุ่มของสารเสพติดอื่นๆ น, น, นะเจ้าคะ่ะจะอยู่ในสีลห้าด้วยไหมเจ้าค่ะถ้ามันทําให้เกิดอาการมึนเมาก็ถือว่าเป็นเป็นอยู่เป็นเป็นเหมือนสุรายาเมาเน้นถ้าถ้าถ้าเสพแล้วทำให้มึนเมาไม่สามารถควบคุมสติได้ก็ถือว่าเป็นเหมือนสุราเป็นอยู่เป็นจิตก็ห้าเหมือนกันแต่บุหรี่นี่ดื่มสูบไปแล้วไม่ได้ทําให้มึนเมาเลย บุเรนี่พักสูบได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้มึนเมาแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์มันก็อาจจะติดบุหรนโทษก็มีที่ไปติดบุหรนเท่านั้นแต่มันไม่ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมายังสามารถควบคุมการกระทาทางกายทางวาจาได้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้สูบบุเรนนั้นบุเร่จังไม่ได้เป็นข้อห้ามไง ในในวินัยของพระหรือในข้อห้าของศีลห้าสูบได้เพียงแต่ว่าสมัยนี้คนสูบแบบโดยเถิดไปสูบมากเกินไปเลยทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายแต่ถ้าสูบแบบพอหอมปากอหอมคอวันละสองสามมวนนี่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้คนจะสูบกันมากเลยทําให้กลายเป็นเป็นภาระของโรงพยาบาลที่จะต้องมารักษา เขาก็เลยลุนอารมณ์ไม่ให้สูบบุหรีกันแต่ถ้าสูบกันพอประมาณมันก็มันก็ไม่มีโทษตามามาดังนั้นการสูบบุหรีนี้ไม่ถือว่าเป็นเยะเป็นของมึนเมามแต่ถ้าไปสูบกัญชาเนี่ยรู้สึกได้ทำให้มึนเมาเราก็ไม่สามารถควบคุมสติควบคุคมอารมณ์ได้<ม><ม>อย่างนี้ก็ไม่ควรเสพเพราะจะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายเวลาไม่มีสติแล้วคนมักจะทำบาปกัน เวลากินเหล้าแล้วมักจะไปทำอะไรเสียหายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ดื่มสุราแล้วถ้ากรณีเผลอรับประทานอาหารที่มีสมผสมของแอลกอฮอล์เจ้าคะ่ะจะถืะอว่าส่วนผสมของอาหารมันไม่ได้นะเวลามึนเมาก็ไม่น่าจะเป็นไม่ไม่น่าจะผิดะนะอยังไม่ทุ่สีนใช่ไหมเจ้าคะ เ็นแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้บริสุทธิ์แบบสุดโตงก็มีอะไรแม่ประโยชน์ดเดียวก็ไม่เอ า, อานี้ก็ได้แต่ถ้าใช้หลักแบบทางสายกลางมันก็ใช้ใช้หลักเหตุผลมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะมันเป็นเหมือนชูรสที่เขาใส่เข้าไปในอาหารเพื่อให้มันมีรสชาติขึ้นมาท่านเองแต่รับประทานแล้วไม่ได้ทําให้เกิดอาการเหมือนเราก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นสุรานี แต่คนบางคนเวลาเขาแข่งศีลเนี่ยพขาก็รักษาศีลแล้วอะไรก็นิดหนึ่งก็ไม่ได้ก็ mm hmm. แล้วแต่ mm hmm. เขาเรียกเห็นตรงเะตรงแข่งเกินไปเข่งเกินไปก็ลำบากย้อนเกินไปก็ไม่ดีต้องเอาสายกลางให้ใช้เหตุใช้ผลเป้าหมายก็คือการกระทาของเราอย่าไปทําให้ผู้อื่นหรือตัวเราเสียหายเดือดร้อนเท่านั้นเอง mm hmm. เช่นเราดื่มเรารัประทานอาหารที่เขาปรุงด้วยสุราหยดสองหยดนี่มันไม่ได้ทําให้เราเสียหายเดือดร้อนมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยใช้ใช้หลักนี้ดีกว่าเรื่องของศีลก็คือการกระทําไม่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือตัวเราเดือดร้อนเสียหายก็ถือว่าใช้ได้บางคนก็เอางว่าผมดื่มสุราผมไม่ได้ทําให้คนอื่นเสียหายแต่ทําให้ตัวเองเสียหายแราวทาให้ตัวเองไม่สามารถไปทํางานทําการทํำไรายได้ นาอาจจะถ้าไม่ระวังก็อาจจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนได้ต่อไปคำถามจากคุณเสียงถามว่าขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าน่าจะมิจฉาเนาะมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิแตกต่างกันอย่างไรครับก็สมาธิมีอยู่สองแบบแบบสงบกับแบบที่ไม่สงบ คือสงบแต่แต่ไม่ไม่นิ่งคือไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งอยู่ในอุเบกขาพอสงบแล้วก็ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นไปติดต่อกับกายทิพย์ได้ไปติดต่อกับเทวดาได้ไปคุยกับเทวดาอย่างพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจารสมาธิ แต่อุปจารสมาธินี้ไม่มีกําลังของอุเบกขาจะไม่สามารถที่จะนําไปใช้กับวิปัสสนาเพื่อฆ่ากิเลสได้ไม่มีกําลังฆ่ากิเลสเวลาพิจารณาว่าเป็นตายรักก็ไม่สามารถปล่อยวางได้แต่ถ้ามีถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีอุเบกขาแล้วเวลาไปเจริญปัญญาก็จะสามารถยับยั้งกิเลสตัณหาได้หยุดกิเลสตัณหาได้ด้วยปัญญา เห็นสมาธิจึงมีมิจฉากับสมาสัมมาสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิจิตที่สงบนิ่งแล้วตั้งอยู่ในอุเบกขาส่วนอุปจารสมาธินี้ถือว่าเป็นวิจฉาสมาธิเป็นสมาธินี้ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางวิปัสสนาได้แต่ไม่เสียหายเพียงแต่ว่าต้องรู้จักเวลาของมันว่าควรจะใช้มันเมื่อไหร่ ถ้าเรายังปฏิบัติธรรมอยู่นี้เราไม่ควรจะวิุ้งกับอุปจารสมาธิเพราะจะทําให้เราไม่ได้อัปปนาสมาธิแล้วจะทําให้เราไม่สามารถไปเจริญวิปัสสนาได้ไม่ให้เราเจริญ ใ, ให้เราใช้อยู่ให้อยู่กับอัปปนาสมาธิไปแล้วเราจะได้เอาอัปปนาสมาธินี้ไปใช้กับปัญญาเพื่อตัดกิเลสทั้งหลายให้หมดไป เราตัดกิเลได้หมดแล้วต่อไปเราจะใช้อุปจารสมาธิในการแสดงธรรมให้กับเทวดาก็ได้ในอุปจารสมาธินี้เป็นความรู้พิเศษความสามารถพิเศษและไม่สามารถมาใช้กับการเจริญวิปัสสนาได้คำถามจากคุณแก้วนมามสการเจ้าค่ะลงทุนในหุ้นในกองทุนผิดศีลห้าไหมเจ้าคะไม่ผิดเราก็เป็นการทามาค้าขาย คำถามจากคุณรัสนากราบเรียนพระอาจารย์การอยู่กับลมแค่นี้บวกกับการมีศีลเพียงพอไหมครับไหนอ่านใหม่ด้วยพอดีการอยู่กับลมแค่นี้บวกกับการมีศีลเพียงพอไหมครับคือมีสติรู้อยู่กับลมแล้วก็การรักษาศีลก็อยู่ที่ว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าจิตสงบ ก, ก็พอเพียงถ้าจิตไม่สงบ ก, ก็ไม่พอเพียง คำถามจากคุณปรางซ่ามีสามข้อข้อที่หนึ่งกันนั่งคูบันลังแตกต่างกันอย่างไรกับการนั่งขวาทับซ้ายเจ้าคะก็เหมือนกันน่ะเพียงแต่ว่าเป็นท่าท่าท่ า, ท, าที่บุคคลสามารถจะเลือกนั่งได้เขาเรียกว่าขัดขัดสมาธิแบบเพชรกับขัดสมาธิแบบธรรมดาขวาทับซ้ายน่าจะไหนคุงชาน ฌ า, า, านกับยานแตกต่างกันอย่างไรบ้างเ<า>จ้าคะฌานคือสมาธิความสงบยานคือปัญญาความอย่างรู้แต่เขียนคล้ายๆกันบางทีคนก็สับสนกันพอยอหญิงกับชอก็เชอก็ดูคล้ายๆกันแต่ฌานนี่หมายถึงความสงบขั้นต่างๆมีรูปฌปานอรูปฌปานเป็นต้นส่วนยานก็คือการอย่างรู้ทำขั้นต่างๆขั้นสโสดาบันขั้นสกิทาคามีนี่ก็เรียกว่ายาน ข้อที่สกรรมอันใดที่คนเกิดมาแล้วบกพร่องทางการได้ยินวงเล็บเป็นใบเราจะสามารถอยู่ร่วมทํางานกับเขาได้อย่างไรหากเขาตีความในการสื่อสารผิดและชอบเขียนข้อความว่าเราให้ผู้อื่นเข้าใจผิดต่อกันขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ถ้าแยกกันอยู่ได้ก็แยกกันอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาก็ควรจะแยกกันอยู่ไป แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธเกลียดกันเมื่อเราไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจกันได้ก็ควรที่จะแยกกันอยู่ไปคำถามจากค um ุณชยาภาขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งสมาธิเพ่งเป็นภาพพระพุทธเจ้าและนึกพุทโธไปด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ผลว่าได้รับความสงบหรือไม่ ถ้าจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเน่งก็ใช้ได้การนั่งสมาธินี้มีหลากหลายวิธีด้วยกันดังนั้น ผ, ผ, ผู้ปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยตนเองถึงจะรู้ว่าถูกกับตนเองหรือไม่ คำถามข้อสุดท้ายนะตางเหเวลาอนะีกหนงาทีคำถามจากคุณไกลบ้านเราทําบุญด้วยของสดเช่นเนื้อหมูสดเนื้อไก่สดผักต่างๆให้โรงครัววัดเพื่อให้แม่ครัวทํากับข้าวถวายพระบุญนี้จะสามารถอุทิศให้ผู้ล่วงลับได้ไหมครับหรือต้องถวายอาหารสุกอย่างเดียวจึงจะอุทิศได้ครับ๋ไม่จําเป็นนะไ ด, าาด้ทั้งอาหารสดทั้งอาหารสุก เมือบุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราไปแล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจสิ่งที่เราอุทิศไปก็คือความสุขใจอิ่มใจนี่เองทำให้ดวงวิญญาณที่หิวโหยเก็จะได้มีความสุขใจอิ่มใจด้วยเา mm. แล้วนะวันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดี